ของเรานี่มันรุ่นเขียนจดหมายนะเออเนี่ยพระไตรปิฎกที่อ่านอ่านก็จดหมายจากพระพุทธเจ้าก็อ่านอ่านกันเถอะแตถ่ถ้าจดหมายยังไม่อ่านแล้วก็ไปไหว้พระาธาตุก็ยังดีนนเก็บ JD เจดีย์ไว้ให้ลูกหลานมันกราบไหว้ของเราอ่านทั้งจดหมายไหว้ทั้งพระเจดีย์ใช่เอาหมดอทีนี้ต่อไปนะเราเรียนเข้าใจพระธรรมคําสอนเท่าไหร่เราน่าจะดีใจเท่านั้น ถามว่าทำไมจึงดีใจอ่ะเพราะทำที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นธรรมที่นําออกจากทุกข์คือถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราเป็นทุกข์จริงๆนะทุกข์คืออะไรไอ้คาว่าทุกข์ไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับไข้ขึ้นทุกวันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราไม่พ้นจากชาติทุกข์ไม่พ้นจาก ชราทุกพยาทีทุกขมรณนะทุกขแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโทโมณัตและอุปายาตเราเป็นผู้มีทุกขอย่างลงแล้วมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแลว้วทำไงการ ท, าทําที่สุดแห่งทุกจะพึงปรากฏแก่เราได้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อนําออกจากทุกขเหล่านี้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในคําสอนที่นําออกจากทุกขเนี่ยนะ รู้คุณของคำสอนที่นำออกจากทุกควรจะดีใจเท่าไหร่ใช่หมควรดีใจเป็นอย่างมากกันนะเหมือนอย่างว่าคนที่เดินทางเนี่ยนะซึ่งทางที่มันมืดมันบอดมันไปยอกเป็นต้นเนี่ยรู้ว่าอีกหน่อยจะถึงหรือมีทางชี้ให้ถึงเนี่ยถามว่าเราจะดีใจไหมน่าดีใจฉันใดชีวิตที่เป็นไปในวตาเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยภพสามกาเนิดสี่คติห้าที่มันน่ากลัวเหมือนกับอะไร ที่มันน่ากลัวเหมือนกับะคลายไขที่จเจริญวิปัสสนานี่จะเห็นชัดมันน่ากลัวแบบนั้นแหละมันน่ากลัวแบบที่เห็นเห็นนี่แหละแบบในสมมติเหมือนอะไรเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์เห็นนั่นแหละมันน่ากลัวแบบนั้นแหละคือเมื่อมันน่ากลัวแบบนั้นเนี่ยนะเรารู้ธรรมที่ออกจากทุกเราควรจะดีใจเท่านั้นรู้เท่าไหร่ก็ควรจะดีใจเท่านั้นแต่มันมีบางคนเนะ่ะพอรู้เท่าไหร่ก็บอกมันยากเกินไปก็ <c oughs> ก็แปลกใจนะของของมานะริงรู้ว่ายากไม่ชอบมากโอ้ดีนะเนี่ยโอ้ถ้ารู้สิ่งที่ยากๆมันจะดีขนาดไหนแต่ก็บอกโอ้ยากไปถามว่าชอบง่ายๆเนี่ยนะมันจะยากในตอนท้ายเคยซื้อของแล้วไม่เลือกไหมแล้วลำบากใจในตอนท้ายเนี่ยนะมีไหมบ่อยไหมล่ะอะบางคนที่ไม่ค่อยพิถีพิถันในการซื้อของไหมสบายๆนึกว่าไม่มีอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดือดร้อนมา เ, าเพราะไอสิ่งที่เราคิดว่ามันมันง่ายหลายๆคนเนี่ยเห็นซื้อของเพราะเห็นแก่ถูกใช่ไหมแล้วมันเสียบ่อยๆเป็นยังไงนะมีโยมคนหนึ่น ง, งรถเครื่องเขาเสียเขาก็เลยไปเที่ยวหาร้านที่มันถูกที่สุดนะึ่งนที่สุดนะลา ง, งานไปตั้งสามสี่วันแนละ้วคันนั้นมันยังไม่ได้แพงกับกันไม่กี่บาทนะั้นถ้าไปร้านแพงนะั้นเสร็จไปนานแนละ้ว แพงกับกันไม่กี่บาทเนี่ยนะเลือกถูกที่สุดจนในที่สุดนะเสียแพงมากที่สุดฉันใดก็ดีเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมในยุคนี้ก็เหมือนกันนะเขาจะไปหาอะไรที่มันง่ายที่สุดในที่สุดเดือดร้อนที่สุดมันถ้าทำเนี่ยที่เรายิ่งรู้ว่าควรที่จะศึกษานี่นะโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุเป็นผลอย่างเต็มที่ควรเธอเนี่ยนะควรที่จะอดทน มันไม่ได้ทนเท่ากับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรอกเชื่อเธอศึกษาพระธรรมอ่ะนะไม่ได้ทนขนาดนั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมทุ่มเทในการศึกษานะชาติหน้าจะเป็นยังไงเราเคยคิดไหมว่าชาติหน้าควรจะเป็นยังไงชาติหน้าต่อไปมนุษย์จะเกณฑ์เฉลีย่ยจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าอย่างใครหวังพระศรีอารเนี่ยนะถามว่าอีกนานไหมพระศรีอ่านจริงจะมาตรัสรู้บอกเป็นคร่าวๆคือกติกาเขาเป็นอย่างไงนะ คือชีวิตมนุษย์นะจะเริ่มร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีอันนี้พูดแบบเกณฑ์เฉลีย่ยนะร้อยปีลดปีไปจนถึง10ปีเนี่ยตายแล้วก็ถึงมิคสันยีหรือสัตวถันตะกรรมเข็นมันฆ่ากันหรือตายเพราะโรคภยัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกณฑ์มนุษย์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเ พ, เ, พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงอายุอาสงไขป่ปีอาสงไขป่ปีแล้วก็คนจะเริ่มประมาทอีกค่อยลดลดลดลดล ด, ล, ดลงมาอย่างนี้ แล้วลดลงมาเนี่ยเกณฑ์เฉลี่ยอายุประมาณ8ปดหมื่นปีเนี่ยพระสีอานจริงจะมาตรัสรู้นะนะก็รอไปเถอะนะว่าตรงๆว่าง่ายๆนะตายอีกล้านชาติก็ยังไม่ทันนะนะเกิดตายเกิดตายอีกล้านครั้งนะไม่รู้ทันพระสีอานหรือเปล่าคิดดูนะว่าอย่างในเตมิยะเออขอไปเนมิราชชาดกเนี่ยเนมิราชชาดกเนี่ยสมัยที่พระเนมิราชมีชีวิตอยู่เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยในในชาดกเนี่ย พระเนมิราชเนี่ยเป็นเด็กกี่ปีแปดหมืสี่พันปีเป็นอุปราชอีกแปดหมื่นสี่พันปีครองราชอีกแปดหมืสี่พันปีและในช่วงครองราชแปดหมืสี่ันปีนะท่านขึ้นไปเทวดาเนี่ยท่านยังพบพวกเทวดาที่เป็นพระอริยะอยูอ่เป็นเทวดาที่เป็นพระอริยะเนี่ยสมัยนั้นสรุปเนี่ยพระเนมิราชเนี่ยอายุประมาณแสนกว่าปี รวม 200,000 ปีเนี่ยท่านขึ้นไปเนี่ยยังเห็น่าระยะอยู่ในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนอายุเท่าไหร่ 20,000 ปีแล้วตอนหลังพระเนมิราชมีอายุประมาณ 200,000 ปีเนี่ยยังขึ้นไปยังเห็นนะแล้วระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นั้นกับพระเนมิราชเนี่ยห่างกันกี่ปีโอ้โหหลายล้านปีมากหลายล้านปี แล้วจากพระเนมิราชมากว่าจะมาเป็นพระเวสสันดรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะจากพระเนมิราชมาก็ขึ้นพรห ม, มโลกอกีกหมดจากพรหมแล้วมาเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อยู่นานกว่าจะมาเป็นพระเวสสันดรเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะอยู่จนสุดอายุกี่ปีกี่พันปีทิะ่ะอ่ากี่ร้อยปีทิปะนะสวรรค์ชั้นดุสิตเคยวันหนึ่งคืนหนึ่งของจา่าของของจาตุ้มห้ิปีของเราและอายุ500รปีทิป วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวประเดึงเท่ากับร้อยปีของเราอายุพันปีทิพย์สองปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของยามายามาแล้วก็สี่รอปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของดุสิตแล้วอะ่ะร้อเอ่อหนึสสวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสอเดือนเป็น1ปีสี่พันปีทิพย์อ่ะ ควรจะกี่ร้อยล้านปีของมนุษย์จากพระเวสสันดรมาจนถึงสมัยที่เรียกว่าจะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะหลายร้อยปีสรุปว่าหลายร้อยปีก็แล้วกั น, น, นกว่าจะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะแล้วก็มาตรัสรู้เนี่ยผลจากเนี่ยในกับเดียวกันนีถ้าถอยหลังพระพุทธเจ้าองค์ก ร, อ ง, กรองค์กรเนี่ยยิ่งนานไปกว่า น, านั้นอีกแล้วจากนี้ไปพระศีอาร์ แล้วถามว่าเรามีบุญอะไรเนี่ยนะทา น, น ก, กุศลเนี่ยเราบริจาคมหาพูดไว้แค่ไหนจึงจะได้กินมหาพูดแบบสบายๆเพราะถ้าชีวิตในการมาวาจรต้องกินมหาพูดเอาลองเถอเดี๋ยวให้เลยอาหารสักมื้อหนึ่งแล้วว่างไางไเดี๋ยวกระหายมหาพูดแล้วจะหิวมหาพูดแล้ะได้เวลาเติมมหาพูดเช่นถ้าเขาไม่ให้น้ำเลยนะตัดน้ําไปครึ่งวันจะเป็นยังไงกระหายอาโปธาต ถ้าเขาไม่ให้สัมผัสเตียงนอนเลยนะก็หายตัตตวีธาตุถ้ามันร้อนเกินไปขาดความเย็นก็กระหายเตโชธาตุถ้ามันหนาวเกินไปไม่มีเตโชธาตุดีก็เดือดร้อนเนี่ยนะหนาวเกินไปก็ไม่ชอบร้อนเกินไปก็ไม่ชอบมีกายมีขันห้า ก, ก็ต้องอาศัยคือดมาเลี้ยงมหาพูดอันเนี้ยเพราะยังไงเราก็ติดมหาพูดใช่ไหมแต่ถ้าไม่เสียสลับมหาพูดเอาไว้ให้พอนะ จะเดือดร้อนในเรื่องมหาพูดจะลำบากเพราะมหาพูดนี่แหละหนึ่งทานนกุศลเราดีขนาดไหนพอที่อยู่ในในวัตตะแบบสบายๆหน่อยนะไม่เดือดร้อนเรื่องมหาพูดพูดแบบสมัยใหม่เขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะการทำมหากินจริงๆก็เดือดร้อนเรื่องมหาพูดนนะบ้านก็คือมหาพูดใช่ไหมที่ไร่ที่นาก็คือมหาพูดที่ทามหากินก็คือมหาพูดแม้แต่สตังก็คือยอดของมหาพูท มันเหมือนกับยอดของมหาพูดจริงๆนะออถ้าพับเข้านี้นะมีค่าซื้อที่ได้กี่ไร่อะนะก็คือสมมุติเอาไว้ใช้กับมหาพูดนะนะั่นแหะเพราะเราเราให้ทานไว้ขนาดไหนอันนี้ทานน้กกุศลนะสองศีล ส, สีเลนะสุขติยันติอะนะศีลเนี่ยเป็นตัวรักษาอย่างน้อยมนุษย์เราถามหากุศลที่เว้นจากปาณาติบาตเนี่ยวันหนึ่งเราคิดกี่ครั้ง คิดว่าปานาติปาตาเวรมณีข้าพเจ้าเจตนาวิรัติงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยเราคิดกี่ครั้งศีลกุศลเรามีเท่านั้นอ่ะเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งศนะีลข้อที่สองเนี่ยเกี่ยวข้องกับทรัพย์คนอื่นเนี่ยเราคิดว่านี่ทรัพย์ของคนอื่นนะอัินาทานาเวรมณีเราคิดเว้นเท่าไหร่ศีลข้อที่สนี้คู่ครองของคนอื่นเป็นต้นนะเราจะไม่เวเราจะไม่ล่วงละเมิดอันนี้เป็นการเมสุมิจถาจารย์หรือจะประพฤติพรหมจรรย์ อภร r a มจริยานี่สิ่งที่เราจะพูดนะต้องพูดคำสัตย์คำจริงนะเราจะไม่ดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นเราระลืกถึงกุศลศีลเหล่านี้บ่อยไหมพอที่จะนําเกิดในสุขติภพเพราะศีลเนี่ยเป็นตัวรักษาไว้ในสุขติภพเนี่ยนะกุศลศีลเรามากขนาดไหนทีนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์คิดดูว่าญาณสำปยุทธ์หรือวิประยุทธ์นเกิดอีกเนี่ยนะ ถ้ายาณวิทย์ประยุทธ์ฟังทำก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยจะกล่าวไปยัยถึงบรรลุบรรลุยังยากเลย ก, กนะันไหเพราะฉะนั้นโอ้โหบุญปัจจัยมันเยอะจริงๆอะนะที่คือที่พูดมาทั้งหมดจะให้รู้ว่าไอ้ที่ได้มาขนาดนี้มันดีหนักหนาแล้วอย่าประมาทก็แล้วกันนะถ้าประมาทก็จะเดือดร้อนใจในภายหลังนนะจะเศร้าโศกในภายหลังจริงๆถ้าปล่อยกาละเหล่านี้ให้ผ่านไป น, นะถ้าใครที่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปเท่ากับประมาทเป็นอย่างมาก ทีนี้ถ้าเรารู้ความเป็นไปของชีวิตในลักษณะนี้เป็นอย่างดีแล้วเข้าใจอริยสัจเท่าไหร่เรียนธรรมะที่เป็นนี้ทุกนี้ทุกขสมูไทยนี้ทุกคนิโรธนี้ทุกขนิโร ธ, โรธาคามินีปฏิปทาถ้ารู้เท่าไหร่น่าดีใจเท่านั้นเพราะความพ้นทุกใกล้สิ้นสุดลงแล้วหมายคำว่าที่สุดแห่งทุกใกล้เข้ามาแล้วด้วยการรู้อริยสัจมันการศึกษาอริยสัจนะ แม้กระทั่งเนติปรกรเนี่ยเป็นคำภีร์ที่ประชุมลงอริยสัจมากเป็นคัมภี์ที่ประชุมลงอริยสัจมากปฏิสัมพิธามมักก็เป็นคำภีร์ที่ประชุมลงอริยสัจมากมันการเรียนอริยสัจเท่าไหร่เข้าใจเท่าไหร่หน่าดีใจเท่านั้นแต่ถ้าฟังแล้วไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยโสมนัตนะก็ไม่โสมนัตต่อความบนทุกข์ก็แปลว่ายินดีในทุกข์ แปลว่ายินดีในทุกขถ้ายินดีในทุกก็แปลว่าไม่พ้นทุกข์แปลหลายขั้นแล้วกัะ น, นั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลายถึงทั้งที่เรียกว่าเป็นคำสั่งเป็นต้นเนี่ยนะจริงๆเพื่อประโยชน์ของเราพระพุทธเจ้าพ้นแล้วพระองค์พ้นจากทุกแล้วการที่พระองค์แนะนบอกกล่าวสั่งสอนผู้อื่นทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของ ผู้อื่นทั้งนั้นเลยที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวคําสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของเราเพราะประโยชน์ของพระ อ, องค์นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราเรียนรู้คุณของพระสง์ทั้งหลายรู้คุณของภาษารีบุตรรู้คุณของพระอานนท์รู้คุณของพระมหากัจจายนะเท่าไหร่นะเราให้ดีใจเถอะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติโดยที่ปราศจากราคะปฏิบัติปราศจาก โทส ะ, ป, ะปฏิบัติปราศจากโมหะปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะท่านเหล่านั้นตรัสรู้ธรรมที่พ้นทุกตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็ดีใจได้เลยฉนั้นการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนะจะนำมาซึ่งปีติและปราโมทเขามีบางคนเขาเล่าว่าโอ้เขาศึกษาธรรมานะเขามีปีติมากไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่า มันผิดทางแล้วเขาวางันนั่นเอเอามางงมาถึงทุกวันเนี่เขาเข้าอะไรเป็นเครื่องวัดอ่ะนะคนที่มีปีติปราโมทย์ในธรรมไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาบอกว่านั่นมันผิดทางแล้วนั่นเมีนะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มีในโลกให้รู้เถอะว่าโอ้ธาตุมันวิจิตจริงๆรนี่นะจริงจริงก็ปีติที่เกิดจากธรรมะเนี่ยนะปีติที่เกิดจากซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้า ปีติที่ ท, ทราบซึ้งเห็นคุณของการทําตีรณปริญญาในทุกขเห็นคุณของการตัดฉันนราคะในะตัดสมูทัยอ่ะนะเห็นคุณของการแทงตลอดนิโรธเห็นคุณของการรู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อออกจากทุกเนี่ยนะปีติอันนี้มีค่ายิ่งกว่าสมบัติในในมนุษยโลกสมบัติของจักรพัฒน์ในมนุษย์โลกเพราะว่าปีติอันนี้นํามาเสื่งความทนทุกข์ แต่ปีติที่มีเพราะเพราะสมบัติในในโลกเนี่ยนะปีติอนั้นจะนํามาซึ่งทุกข์อีกในตอนหลังโอได้รถคันใหม่ปีติมากเลยแล้วเสียใจเพราะอะไรไอรถคันนั้นอีกนั่นแหละ <c oughs> นั้นปีติในวัตถุทั่วไปเนี่ยนะในในวัตถุกรารมทั้งหลายนํามาซึ่งความทุกข์ในภายหลังแต่ปีติที่เกิดจากการทราบซึ่งในคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นปีติที่ เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มันก็ปีติที่เกิดก็ขอให้ดีใจเพราะปีติเกิดเธอเพราะว่าปราโมทเนี่ยนะนำมาซึ่งการละอะไรละอารติเขาบอกว่าพระอริยะเนี่ยนะละอารติได้เท่าไหร่ก็ดีใจมีปีติปราโมทมากเท่าไหร่ท่านก็ดีใจนั่นแหละข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นวงของพระอริยะ ทีนี้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะถ้าเรายังมองไม่เห็นว่าเป็นอัาธาอาทีนวะนิสรณะนะผลอุบายอานัตนะก็เอามาวิจัยสิเอามาวิจัยตั้งเป็นคําถามกับเป็นคําตอบเพราะเราจะเข้าใจว่าอย่างเช่นชีวิตที่เป็นๆอยู่เนี่ยอะไรคืออสาธามันมีอสาธาอย่างไงเราน่าจะถามแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นปุจฉาแล้ววิสัชนาว่ามันมีอสาธาอย่างนี้อย่างนี้ เช่นว่าอะไรเนาเป็นอัสสาธะของดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยนะดอกกุหลาบสวยๆเนี่ยอะไรเป็นอัสสาธะของเขาอะไรสุขโสมมนัสอันใดที่เกิดจากการเจอจากการใช้สอยบริโภคใช้สอยดอกไม้สวยอันนี้เป็นอัสสาธะของเขานและความสดอันนี้มีได้นานไหมไม่นานอันนี้เป็น อาทีนวะของเขามันการที่เรารู้จักถามจักตอบแบบนี้บ่อยๆเรียกว่าปุจฉากับวิสัชนาะอันนี้เป็นวิจัยหาระมันเอามาวิจัยบ่อยๆนะเอามาวิจัยให้บ่อยวิจัยให้ให้มากถ้าวิจัยบ่อยวิจัยมากวิจัยหนึ่งอาสะท่าอาทีนวะนิสรณะนะวิจัยในผลอนัะเป็นต้นเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าอะไรหาระ วิจัยหาระส่วนคําหน้าคําหลังวิจัยบทเป็นต้นอันนั้นก็เป็นกลุ่มนักไวยากรณ์ทั้งหลายที่เป็นธุระของเข้าเป็นหลักนะของเราทั้งหลายก็อามาวิจัยอาัศาธาอาร์ธีนวะเลยนะให้มันตรงไปเลยเพราะว่ า, ามาป่านนี้แล้วจะมานั่งสิโยอังโยนาหิสนังสมาหิตะธนุ ป, ปรโรเทนะก็อู้อีก น, น, นั่ น, น, นก็ไม่เวลาไม่พอแล้วนะเรียนรับได้ก็เรียนศึกษากศนมันจะจบเร็วๆหน่อยนะ ถ้าไปเรียนเข้าตามลําดับมาท่องกอไก่ขอไข่ก็ไม่ต้องจบกันแล้วนะเวลามันจำกัดเหลือเกินนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูว่าเมื่อการใคร่ครวนการวิจัยทั้งหมดเหล่านั้นเราก็มาหาข้อยุติว่าพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยนะยุติที่ไหนอะไรเป็นข้อยุติเพราะทุกคนก็กล่าวอ้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกันทั้งนั้นเลยใช่ไหม เขากล่าวอ้างว่านี่เขารับมาจากพระพุทธเจ้านี่มาจากพระไตรปิฎกนะนี่มาจากอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เป็นต้นเนี่ยนะเอาอะไรเป็นข้อยุติล่ะยิ่งในยุคนี้ในยุติหาระเนี่ยโหเอามาใช้ให้ให้มากมากเถอะไม่ผิดหวังเป็นยุคที่เรียกว่าสับสนทางข้อมูลข่าวสารแล้วอะไรเป็นเป็นเครื่องยุติดียะเนี่ยนะท่านก็บอกว่า ออมาเปิดยังไม่ถึงเลยเนี่ยอันนะก็ให้จัดลงในพระสูตรแสดงในวินยัยใส่ลงในธรรมดาลงในสูตรคืออะไรอริยศาสตร์นะั่นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนที่ปฏิบัติมากๆแล้วนะก็บอกว่าโอ้เขาเนี่ยฟังมาเยอะอะไรมาเยอะเรียนมามากปฏิบัติมาเยอะแยะไปหมดเลยอริยศาสตร์มันเป็นยังไงอันนี้ก็คือวิธี หาข้อยุติแบบง่ายๆใกล้รู้อริยศาสหรือยงังถ้าใกล้ก็แสดงว่าเข้าเข้าแล้วนะโมทนาด้วยเหมือนกันแล้วก็ใส่ลงในวินยัยออแสดงในวินยัยละราค่าอะไรบ้างแล้วละ่ะละโทสะอะไรได้บ้างละโมหะอะไรได้บ้างแล้วใส่ไว้ในธรรมดาว่ารู้ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมยังไง นะซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมก็คือสมุทยาวาระถ้าปฏิโลมก็เป็นนิโรธวาระสรุปง่ายๆก็คืออริยศาสตร์นี้เห็นขนาดไหนละกิเลสได้เท่าไรแล้วก็รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ความเป็นไปในวัตตะขนาดไหนอันนี้เป็นข้อยุติเบื้องต้นในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมทั้งการเรียนก็เหมือนกันนะถ้าใครบอกว่าเรียนธรรมมามากแล้ว อริยสัจเป็นยังไงเข้าใจยังไงเห็นทุกขสั์นั่งอยู่ไหมถ้าเห็นก็แสดงว่าเรียนมาเข้าเป็นพระหูสูตรจริงๆแต่ก็ไม่เห็นทุกขสัจเลยเนี่ยนะถ้าไม่เห็นทุกขสั์นั่งอยู่เลยนี่ก็แสดงว่าเอที่เราเรียนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรียนอะไรอยู่นะตอนนั้นในคำพี์ท่านบอกว่าสงสัยนั่งหลับเป็นแน่บา ง, งั้น <laughs> ก็เอาดูนะว่าเห็นทุกขสั์นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนได้ก็ก็แสดงว่าเข้าๆแล้ว เออเนี่ยนะที่ไปไเนี่ยก็ไปสแสวงหาส่งเสริมสมุทรยศาสตร์นะเมื่อไรเนาะจะทําที่สุดแห่งสัจจะทั้งสองนี้ปรากฏชัดแน่อันนั้นเป็นนิโรธศัสตเนี่ยนะเอาอริยศัสตร์มาคิดให้เยอะๆก่อนนี้ถ้าคิดอริยศัตร์ได้เยอะๆบ่อยๆเอ้นี่มันละราคาได้ยังไงเออรู้อย่างนี้ละราคะได้ยังไง ร, รู้อย่างนี้ละโทสะได้ยังไงรู้อย่างนี้ละโมหะได้ยังไงแล้วมันเป็นปฏิจจสมุปบาทอะไรบ้าง ให้มีคำถามอันนี้ในใจบ้างเถอะให้มันบอกว่าเออพ อ, พอมีข้อยุติแล้วแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะยังยุติไม่ได้อันนี้เป็นข้อยุติเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติในบรรดายุติทั้งหลายยุติในยุติหาระนี่นะมีหลายอย่างแต่นี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าการศึกษาและการปฏิบัติยุติที่อริยสัจยุติที่กาจัดกิเลสรู้ยุติที่ รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อยุติเลยในเบื้องต้นทีนี้ในบรรดายุติทั้งหลายในหน้าส3ข้อ21ก็กล่าวถึงยุติเกี่ยวกับความเกิดของทุกข์กับความเกิดของนิพพิทาทุกข์เนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะตันหาเกิดเพราะสังขารสังขารกับตันหาเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้เป็นข้อยุติได ส่วนข้อยุติของวิปัสนาหรือนิพิทาล่ะเห็นไหมถ้าถ้านิพิธาไม่ได้เกิดจากบริโภควัตถุกรามใช่ไหมนิพิธาไม่ได้เกิดจากการมตัณหาแล้วก็แสดงว่านิพิธานี้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับตัณหาคือสมถะกับวิปัสนาสมถาวิปัสนานี่นะนะเป็นเหตุให้เกิดนิพิธา แต่ถ้าผู้ใดพูดว่าเพลิดเพลินในกามมากมกหมกมุ่นในกามมากมากก็จะเบื่อเองก็อบอกว่าสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มนะหนึ่งเดิมสุรานี่ไม่รู้จักอิ่มนะยิ่งดื่มไปมากมากยิ่งกระหายต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเหมือนยาเสพติดทั้งหลายนะถ้าสุราก็คือตัวแทนของยาเสพติดเหมือนยาเสพติดยิ่งบริโภคมากๆไม่ใช่ว่าจะอิ่มใช่ไหมอย่างบุรี่ทั้งหลายเราดูดไปมากๆเดี๋ยวมันเบื่อมันเองแหละไม่ใช่หรอก หรือพวกยาบ้าทั้งหลายเสพมากๆแล้วมันเบื่อมันมีแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแหละทีนี้ต่อไปนอนนะนอนให้มันเต็มที่เลยเดี๋ยวจะเบื่อไม่เบื่อการนอนเนี่ยไม่รู้จักเบื่อเนี่ยนะพวกการบริโภคกามก็เหมือนกันนะถ้าใครบริโภคกามมากๆเพลิดเพลินในกามมากๆแล้วจะเบื่อเองอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะ ก็ผู้ที่เพียบพร้อมด้วยเบญจา ก, กรารมาคุณมากๆที่จะออกจากวัตตะจริงๆอ่ะนะหายากนะักถ้าว่ากันง่ายๆนะเคยเห็นกษัตริย์พระองค์ไหนมั่งเป็นกษัตริย์หนุ่มที่ออกบวชเช่นเจ้าชายสิทธัตถะนะเคยได้ยินไหมขนาดศึกษาคำสอนเน่นะนะบวชเข้ามาแล้วศึกไปบริโภคกรรมกนะ็ยังยอมเลยนะขนาดนั้นนะเขาบอกว่า กษัตริย์โซนหนึ่งอ่ะนะพอรู้ว่าตัวเองจะได้ขึ้นครองราชอนะันศึกเลยแต่จะได้ไปครองราชยังไงนะนะอันนี้ก็มีแต่ว่ากําลังครองราชอยู่ดีๆแล้วออกมาบวชหายากเต็มทีเว้นแต่พระอรารยะรุ่นแรกๆหรือเว้นไว้แต่ว่าอัน น, นัเป็นคือยังไงก็ต้องลงจากบัลลังก์แล้วลงให้มันสวยหน่อยเรียกว่าบวช <c oughs> ก็เลยทําเหมือนไปบวชจริงๆอ่ะถูกเขาโค่นลงแล้วล่ะนะบวชนี่ดูภาพสวยที่สุดก็เลยยอมเลือกไปเป็นนักบวชแต่ว่าหายากเต็มที เพราะฉะนั้นผู้ที่เพลิดเพลินหมกมุ่นในวัตถุกรรมมากๆแล้วจะเกิดนิพพานุปัสสนานี้ก็ไม่ใช่ฐานนะอันนี้ยุติเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาว่าวิปัสสนาไม่ได้เกิดจากกิเลสกรรมเนี่ยนะวิปัสสนาที่แก่กล้ามไม่ได้เกิดจากการเจริญกิเลสกรรมทีนี้ก็มาเป็นข้อยุติเกี่ยวกับการให้กรรมฐานของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจะให้กรรมาอาสุภกรรมาฐานแก่บุคคลผู้เป็นราคะจริตให้สอนพรมวิหารแก่พวกที่เป็นโทสะจริตสอนปฏิจจสมุปบาทแก่พวกโมหะจริตก็ น, น่าคิดนะของเราบอกหูใครรู้ปฏิจจสมุปบาทคนนั้นมีปัญญามากใครเรียนปฏิจจสมุปบาทมีปัญญามากอะแต่ตรงนี้บอกว่าเอาไว้สอนคนงูนะ เพรยิ่งไม่รู้เนี่ยต้องสอนพวกอย่างนี้ละเอียดละเอียดอย่างนี้เราจะดีนั่นนะและ้วก็ถ้าอ่านในพระไตรปิฎกไม่รู้เลยใช่ไหมถ้าพระองค์แสดงคําประเภทอสุภาษอยู่ในหมวดนั้นๆเช่นกลุ่มกายคตาสติเป็นต้นแสดงว่าผู้ฟังเป็นพวกราคาจริตแต่ถ้าเป็นพระสอนคำสอนในพระไตรปิฎกที่เป็นเมตตาเกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของโทสะเป็นต้นอันนี้แสดงกับพวกโทสะจริต แสดงขันท่าอายตนะสัจจอินทรีย์แสดงว่าเป็นโมหะจริตพระพุทธเจ้าต้องประกาศอริยศาสตร์ให้พระอาหารหันต์ฟังบ่อยๆไหมไม่ต้องก็แสดงว่าผู้ที่ยังต้องฟังอริยศาสตร์ฟังปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็แสดงว่ายังเป็นโมหะจริตอยู่โมหะหรืออวิชานุสัยบุคคลใดละได้พระอาหารหันต์นั้น ก็นั่นแหละผู้ที่ยังไม่เป็นธาหารนี่โดยจริตก็ยังถือว่าเป็นโมหจริตหมดเลยเพราะมันยังมีโมหะนะทีนี้ก็ข้อยุติเกี่ยวกับพรหมวิหารในหน้าสามสิบี่นข้อยุติเกี่ยวกับพรหมวิหารว่าการเจริญเมตตามากๆเนี่ยละอะไรได้ ละพยาบาทได้ถ้าเจริญกรุณามากๆละอะไรได้วิเหงษ า, าได้ถ้าเจริญมุทิตามากๆละอารติได้ถ้าเจริญอุเบคาพรหมิหารมากละราคะได้แต่ถ้าผู้ใดพูดตรงข้ามกับอย่างนี้เรียกว่าผิดนะเพราะนี่เป็นข้อยุติเป็นข้อยุติว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเครื่องวัดผลคือเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยผมเนี่ย กระโนเมตตา ม, มากนะแต่ว่าโทสะนี่ต่างงิดต่างหงิดเรื่อยเลยแค่ okay. พูดขัดกันใช่ไหมือนก็เหมือนกับบอกว่าบ้านเขานะฝนตกชุกมากเลยบ้านถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยให้ฟังมันแปลกใจอยู่เหมือนกันนะฝนตกน้ําท่วมประจําเลยแต่บ้านถูกไฟไหม้นะหาน้ําจะดับก็ไม่มีขัดกันเองในตัวใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอนะันนี้เกี่ยวกับข้อยุติกับพวกเจริญพรหมิหารบอกเขาเจริญเมตตา ม, มากนะแต่อีกคนนั้นก็มา ไอคนนั้นก็ไม่ดีไอคนนี่ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็เลวมากเป็นต้นเนี่ยนะแต่เขาบอกเขาเจริญเมตตามากอันนี้ก็ผิดรลอเขาบอกว่าเขาเจริญกรุณามากนะแต่อยากด่าคนเหลือเกินนะพูดยังไงไอคนนั้นมันเดือดร้อนที่สุดมันก็ผิดแล้วมันก็ไม่ใช่อีกเลเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจริญมุทิตามากนะแต่คนเพื่อนบ้านได้รถใหม่ก็ไม่ชอบเขามีอะไรดีๆก็ดิษยาเ้าหมดอันนี้ก็ เพศเหมือนกันใช่ไหมถ้าผู้มูติตามากถ้าเข้าได้การลัติอุปธิประโยค่าสมบัติดีใจกับเขาอันนั้นเป็นลักษณะของมุทิตาแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเจริญอุเบกามากเลยนะไอ้ น, นั่นเขาก็อยากได้อันนี้เขาก็อยากมีเป็นต้นอันนี้ก็ก็ผิดใช่ไหมเพราะอุเบกามันเป็นลักษณะการวางเรียกว่าวางใจเป็นกลางในสัตว์และสังขาร วางใจเป็นกลางในสัตว์ก็คือพิจารณาว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นวางใจเป็นกลางในสังขารก็พิจารณาสังขารว่าไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะไม่ใช่สัตว์อนนะนิสั ต, ตะหรือเป็นของชั่วคราวเป็นต้นเนี่ยนะไอ้พวกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็จะทำให้เกิดอุเบกขาได้มากขึ้นทันแท้บอกว่าเจริญอุเบกขามากนะแต่ว่าขอให้เป็นของเราอย่างง้นะก็แสดงว่าผิด อันนี้ก็เป็นข้อยุติเกี่ยวกับพรหมิหารยุติเกี่ยวกับพรหมิหารอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเลยนะเป็นเครื่องเช็คเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดเลยนั้นใครบอกว่าปฏิบัติธรรมในาศาสนานี้ไม่มีเครื่องวัดก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมพวกนี้เป็นเครื่องวัดทั้งหมดเลยนะถ้าใครศึกษากฎเกณฑ์โดยเฉพาะในยุติหาระดีคนนั้นค่อนข้างได้เปรียบเพราะตรวจสอบตัวเองได้เนี่ยนะซึ่งคนอื่นจะมาตรวจสอบเราอะนะบางทีเราก็ไม่ค่อยยอมไม่ตรวจสอบใช่ไหม คุณเนี่ยทาไมหงุดหงิดง่ายจังเอ๊ะชอบไหมให้คนอื่นนิจา์อย่างเนี้ยชอบให้คนอื่นชมอย่างเดียวอ่ะเราะนั้นอันนี้แหละเราก็จะเอาไว้ตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยเจริญไปถึงไหนแล้วนะเมตตาเจริญไปถึงไหนก็ดูได้จากโทสะกรุณาจเจริญไปถึงไหนก็ดูว่าคิดเบียดเบียนคนอื่นไหมมุทิตาจเจริญไปถึงไหนก็ดูจากว่าเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วเราปลื้มไหม อุเบคาดูว่าแม้ทะเยอทยานอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องวัดเกี่ยวกับการเจริญพรหมิหารทีนี้ก็มาดูยุติเกี่ยวกับการเจริญมิปัสสนาใครบอกว่าเขาเนี่ยนะเจริญอานิจจสอานิจจานุปัสสนาเป็นปกติเลยแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอย่างนี้ถูกถูกไหมไม่ถูกเก็ ฉะนนั้คนที่เจริญอนิจจานุปัสนามากๆ ก, ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสัพพสังขารสรัพพาสังขาร น, นะถ้าอย่างเจริญคร่าวๆเนี่ยนะสมมติว่าแบบง่ายๆหยาบๆเนี่ยถ้าตามเห็นขันห้าของอาทิตย์ที่แล้วกับขันห้าของอาทิตย์นี้เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมรูปประขันของของอาทิตย์ที่แล้วกับรูปประขันของอาทิตย์นี้เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเวทนาขันของอาทิตย์ที่แล้วกับเวทนาขันของอาทิตย์นี้ เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนแล้วเวลาเราเห็นหน้ากันเราคิดยังไงก็เหมือนเดิมถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอนิจจานุปัสสนาไม่ดีนะถ้าอนิจจานุปัสสนาดีๆก็ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเนี่ยนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างไม่มีความคงทนอะไรเลยเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าถ้าเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดก็แสดงว่าโอ้โหไม่มีอนิจจานุปัสสนาอยู่ในความคิดแม้แต่นิดเดียวเลยนะ